ขอความเจริญในธรรมชุบีเดท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมประภูติยานได้นำเสนอเรื่องปฏิจจส ม, มุปบาทสืบต่อกันมาตามลำดับจ่ว่าเหตุการณ์บริเวณต้นโพธิปุจจารสัสรูนั้นมีอาการสำคัญเกิดขึ้นเป็นนันมาก แล้วก็มีความเชื่อมโยงกับกฎของปัจจัยการคือหรือกฎของปฏิจาสมุปบาทเพรนะในที่นี้จะนำท่านผู้ฟังไปศึกษารายละเอียดในลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นจากพระสูตรต่างๆในตอนต้นที่ยกมานั้นเป็นการนำข้อความมาจากมหาสกยาโคตมสูตรในนิทานวัตวัฏพุทธวั์ ก็ในสังยุตตนิกายและในการต่อมาก็ได้นำข้อความจากมาวัตแห่งพรวินับิดกเล่มที่สี่ซึ่งข้อความสอดคล้องต้องกันข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าจากพระสูตรที่สี่ถึงที่เกมีข้อความในํานานเดียวกัน เป็นการอ้างถึงสิ่งที่เรียกว่าจักคุยานปัญญาวิชาแสงสวา่างก็คือยานที่เกิดผุดขึ้นจากผลรวมของอดีมักเ ม, มองแปดประการแล้วเกิดเป็นสัมายานก็ทำให้ทำลายอวิชาซึ่งเป็นรากงาวของกิเลสออกไปแล้วกระบวนการดับของกิเลสและ กรรมความทุกข์ก็ไหลเลื่อนไปตามดับๆเยวิชาดับสังขารดับสังขารดับปิญญาดับปิญญาดับนามรูปดับก็ดับเรื่อยไปจนถึงอุปาญาตเวลาทรงแสดงนั้นทรงใช้ขบกองทุกทั้งมวลย่อมดับไปด้วยอาการอย่างนี้แล้วก็สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแกพระพุทธเจ้าทั้งหลายในดีแต่ว่า ในพระสูตรนั้นจะยกพระพุทธเจ้าในดิขึ้นมาหกพระองค์คือพระวิปัสสีประสิกขีพระเวสสภูพระกกพระโกกกุกกสันโธพระโกนาคมพระกัสปะแลพระพุทธเจ้าของเรามันเป็นการแสดงเห็นว่าตำแหน่งพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนานั้นเป็นตำแหน่งที่เปิดกว้างสมหรับคนทุกคนสามารถใช้ความเพียรพยายามเพื่อ จะรู้เป็นระพุทธเจ้าได้เป็นระบบคุณธรรมแต่ว่าระบบคุณธรรมนั้นก็มันเหมือนกับระบบอื่นๆก็เทียบแล้วก็เหมือนกับคนวิ่งแข่งมาราธอนตอนออกจากจุดสตาร์ทนั้นก็เยอะแล้วคนก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงโดยําลังและถึงจุดหมายปลายทางคือเป็นอันดับหนึ่งก็มีเพียงคนเดียว บนบนเส้นทางที่เปิดโอกาสกว้างให้บุคคลใช้ความเพียรพยายามเพื่อจะสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นแม้จะเปิดกว้างให้แก่คนทุกคนจริงแต่ว่าศักยภาพกีความสามารถของคนไม่เหมือนกันบาง เ, เพียนเพียรไปในสูงจะท้อถอยปล่อยทิ้งไปเรื่อยๆหรืออาจจะเทียบการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่จริงทุกลำดับขั้นตอนของการศึกษาไม่ได้ปิดกั้นโอกาสใครไว้แต่คนเราก็มีความจำกัดในตัวเองโัการศึกษาบางทีก็มีปัญหาด้านสติปัญญาบางทีก็มีปัญหาด้านเศรษฐกิจบาง ท, กาางทีก็ปัญหาในด้านความรักใคร่ชอบใจในวิชาการต่างๆแล้วในสุดคนที่เขาศึกษาในสถาบัน ข้างล่างนะครับพอถึงจุดระดับเป็นปัญญาเอกมันก็เหลืออยู่ไม่กี่คนบางรุ่นไม่มีสักคนหนึ่งเพราะงั้นบนเส้นทางของความเพียรพยายามเนี่ยมันไม่ได้จํากัดแต่ว่าคนจะมีความจํากัดในตัวเขาเองอย่างการเป็นอรพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นจากการสร้างบา ร, รมีอย่างที่เราทราบกัน บารมีเอาก็จริงขนาดทานบารมีเนี่ยการให้วัตถุสิ่งของพอทํเนาแต่ถ้าเราเทียบเคียงแล้วว่าการให้ของที่ไม่มีค่าการให้ของที่เรารักหวงแหนการให้ของที่เราวงแหนมากที่สุดมันจะให้ได้ยากแตกต่างกันตต่างกันทั้งเจตนาในการให้ทั้งสิ่งที่เราให้และทั้งตัวผู้ที่เราจะให้ จึงหมายความมาถ้าขอมีค่าที่เราทนุถนมอมหวงแหนที่สุดเนี่ยคนนั้นจะต้องรักมากจะต้องพักดีมากจะต้องศรัทธา ม, มากจะต้องเคารพเธอถูกมากแล้วก็ให้ได้แต่เงี้ยให้ไม่ได้แต่ว่าในการสร้างบา ร, รมีเนี่ยมันบางทีไม่ได้เกี่ยวเพราความรู้สึกทัานดีตานองที่ พระเวันรให้กันหาชาลีแก่ชูชกพระเวันรไม่ได้รู้จักชูชกไม่ได้เคารพนับถือชูชกอะไรมาเป็นการส่วนตัวแต่ชูชกก็มาในรูปของสมณพรคือพรามที่เป็นนักบวชการตองการทำบุญหรือการบริจาคบุตรทิดาจนถึงตอนท้าวสกปรมมาเป็นพราหมณ์ก็มีลักษณะอย่างนั้น เพราะว่าใจมองนักบวชเป็นภาพรวมอยู่มองสัมปณาพราหมณ์ในเป็นภาพรวมไม่ได้ใส่ใจว่าเขาเป็นใครแต่เขาเป็นสัมปนาพราหมณ์หรือเปล่าก็ให้ความเคารพนับถือเสมอหน้ากันมันก็ทําได้ในการสร้างบารมีที่จริงคุณภาพจิตเนี่ยมันจะต้องลดทั้งโลภทุสรโมหะไม่ว่าจะเรื่องอ ใ, ให้ทานรักษาศีล ออกบวชหรือว่าเจริญปัญญาสัจจะเมตตาคันติอะไรก็ตามนะครับธรรมที่เป็นอุปการธรรมจะต้องมีกำลังสูงแต่ไม่งั้นไม่อาจที่จะทำให้สมิทธลร่วงไปได้ทีนี้เมื่อพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยบารมีธรรมเขาก็เข้าถึงความเป็นพระพุทธเจา้าก็เรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ประเภทเรียกนิยตะโพธิสัตว์ หรือว่าปัจฉิมภพวิกฤัตว์คือสัตว์ที่จะเกิดมาในภพชาติสุดท้ายแต่ว่าโพธิสัตว์นี่ท่านเรียกว่านิยตะโพธิสัตว์คือว่าเที่ยงแท้แน่นอนว่าจะต้องได้ศัตรูแล้วก็ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าทุกพระองค์นั้นศัตรูอธิยศสี่เหมือนกัน แล้วเวลาพิจารกก็พิจนารณาแนวปัจจัยาการก็คืออริยสัจสีที่ขยายตัวเองออกไปปฏิจจสมบัติสายเกิดเป็นเรื่องของทุกขสมุทมตไถสาระเป็นเรื่องมรรคกานิโรธจะเป็นการศึกษาจากภายในพระไถยของพระองค์ในส่วนของทุกขสัจทั้งวิชาสังขารวิญญาณ น, นั้นไม่เห็นภายในพระไถยของพระองค์แต่ส่วนวิชา ดับสังขารดับทวนความดับเนี่ยงเห็นภายในพระไตรงิรกคือไม่ได้ดูจากข้างนอกแต่ดูจากข้างในจิตแล้วก็จะมีเห็นชัดมีความชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นเพราะเมื่อมีพระองค์หนึ่งมาจะสรู้อริยสัจสีแล้วเนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นมาอีกสักองค์หนึ่งมันก็เป็นอรหันตสมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ เพราะการจ ะ, จะรู้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องไม่มีไม่มีคนรู้มาก่อนเมื่อมีคนรู้อยู่ก่อนหนึ่งคนแล้วเราจะมาถือว่าเราสัตรูไม่ได้ดังนั้นในจั ก, กรวาลเดียวกันในช่วงเดียวกันพระพุทธเจ้าสองพระองค์จะบังเกิดขึ้นไม่ได้ถามาันจาั ก, กรวาลอื่นได้ไหมก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็พูดเฉพาะจักรวาลเดียว ที่นี่สามใดที่พระพุทธศาสนายัางดารงอยู่สามนั้นจะไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในจั ก, กรวาล น, นั้นแต่นั้นเวลาเนี้ยมันก็มีเกณฑ์มาตรฐานในการวัดในการกําหนดตรวจสอบ ม, มีการกล่าวอ้างเป็นพระโพธิสัตว์บ้างเป็นพระพุทธเจ้าบ้างเป็นพระโพธิสัตว์พิสูจน์ยากแต่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พิสูจน์ง่าย เพราะว่าจะไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเพราะพระพุทธศาสนายัา ง, งดำรงอยู่แล้วก็กลับไปสู่คําถามเดิมว่าพระเจ้าสรจจอะไรบทสัจจะอเยสสีก็อันนียสสีมันเรียนกันอยู่แพ่หลายนี่สัจจะรุได้ยังไงแล้วการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงมันเริ่มด้วยพระวรากายก่อน คือพระสรีระนั้นจะประกอบด้วยมาหาบริสัทลักษณะสามสิบสองประการนอนะร้ยยันตนะแปดสิบประการคือถ้าพระกายไม่เป็นอย่างนั้นจิตก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่จิตเป็นคิดอาศได้เป็นพระหารได้แต่เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้านั้นเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมคือสร้างบา ร, รมีมาสมบูรณ์พร้อม อย่างที่เรารู้กันว่าถ้าเสด็จออกผนวดจะได้เป็นศาสดาเอกในโลกแตะโยครองกัรวาก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะงั้นมันสำแดงออกที่ร่างกายแล้วก็ขั้นตอนอีกเป็นนั้นมากคือแต่เราย้อนไปศึกษาในอัจฉรยิยะปุถธรรมสูตรการแสดงถึงความอัศจรรย์ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะฮะถึงสิบเก้าประการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ตลอดการ80ปีของประจนม่นชีพเนี่ยคือสรีระร่างกายประกอบด้วยมามาอริสัยลักษณะ3สิองประการและนุปพยัญชนะน80ประการแน่นอนว่าเราก็ต้องมีตำราตำรานในการศึกษาสอบทานส่วนเรื่องอื่นๆนั่นเป็นเรื่องเฉพาะการคนเกิดทันในยุคนั้นมันก็ได้เห็นในยุคนั้น แต่เราเกิดไม่ทันพร้อมจะเชื่อไหมถ้าพร้อมจะเชื่อมันก็ได้ไมาพร้อมจะเชื่อมันก็เป็นเรื่องที่ชื่อไม่ได้เช่นสมมติว่าประสูติแล้วเดินด้วยประบาดได้เจ็ดเก้าวเป็นขณะสั้นๆเป็นเรื่องวินาทีแต่นั้นเองหมายความว่าใครเห็นในขณะนั้นก็คือเห็นถ้าไม่เห็นก็คือไม่เห็นพร้อมจะใช้ความเชื่อก็ได้หมาพร้อมจะใช้ก็ตามใจแต่ว่าคนที่เห็นนะเขาเห็น แล้วพระโพธิสัตว์ก็เดินได้โดยประบาทได้เจ็ดเก้าจริงจะเป็นอนุภาพของบารมีเป็นพิษดาพีนิหารเป็นบุญญาธิการเป็นกตาพีนิหารอันเป็นแรงผลักดันของบุญบารมีที่ส่งกระทำสำแดงให้ปรากฏเป็นระยะสันส้นๆเป็นบุคพนิมิตเป็นเหตุแต่บุคคล อยู่นี้ที่นั้นหรือว่าราชุกมันนี้ไม่ใช่สามัญชนเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกืกูลเพื่ อ, ค, อ ค, วความสุขแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเพื่อเป็นการณนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและจัดว่าเป็นเอกบุรุษซึ่งก็มีคติเป็นสองอย่างที่ทักกันประการที่สามการที่ ทรงเกิดจากขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างในปฏิจจสมุปาหรือรัชศีเนี่ยปฏิจจสมุปานั้นเป็นการแสดงแนวพิสดารซึ่งที่จริงมันก็ไม่มีอะไระนะเราลองสังเกตว่าในตัวเราเช่นว่าเกิดความโศกขึ้นมามันก็ประโรกสัตว์และสังขารนั้นเป็นที่รัก อาจจะตัวเราก็ได้สัตว์ก็ได้สังขารก็ได้คนก็ได้ที่เรารักแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราไม่ประสงค์แต่เราก็หยุดเขาไม่ได้เราก็โกกก็จะเห็นว่าในตรงในสิ่งตรงนั้นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณนามรูปอายตนาปัสสะเวทนา ใจเรานั้นมีตันหาคืออยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นก็ไม่เป็นตามที่เราต้องการให้เป็นเราก็โศกถ้าเป็นตามที่เราอยากให้เป็นเราก็ยึดนะฮะเราก็เปลี่ยนแปลงเราก็โศกอีกแล้วก็หมุนไปหมุนมากันอยู่อย่างเนี้เพราะในพวกนี้ที่จริงก็คือทุกขสัจกับสมุทัยสัจ และสมุทัยศัตร์กับทุกศาสตร์นั้นปรากฏร่วมกันแต่อาการเนี่ยมันจะมีแต่อาการของทุกอาการของสมุทยัยเนี่ยเป็นเรื่องของคนคนนั้นจะรู้แต่คนมีปัญญาก็พิจารณาได้นะฮะสังเกตจากอาการที่เขาแสดงออกว่าเป็นอาการของอะไรเป็นงการของโลภะโทสะโมหะอิชาริษยาแข่งเดียอะไรอะไรเราก็เห็นได้นะอาการที่เขาแสดงออกมา แต่คนที่ชัดเจนในสภาวะจิตของตัวเองก็คือคนคนนั้นเพราะฉะในส่วนของนิโรธสัารคนที่ชัดเจนไม่คือส่วนของดับนะฮะ ค, คือเราเห็นว่าที่ที่เราเห็นในเห็นถูกความดับแต่ไม่เห็นเหตุให้เกิดดับเตุและดับนั้นปรากฏแก่ใจของบุคคลผู้นั้นก่อนคือตัวเหตุสมบูรณ์ซะก่อนแล้วก็เกิดดับตัวเหตุคืออวิชา เรวิชาดับสังขารดับสังขารดับปญญาดับมันก็ดับอยู่ภายในใจของทาง่านทีนี้จากอาการที่ปรากฏคือนํารูปที่ปรากฏแก่สายตาคนอื่นเนี่ยก็จะเห็นจะเห็นถึงความดับอะไรภายในของทาง่านเรียกว่าสันตกายโยสันตวจโยสันตมโนมีกายสงบมีวาจาสงบปีจสงบยังยกตัวอย่างเช่นตอนพระพุทธเจ้าสัสรุ้ใหม่ๆแเราก็เสด็จ ไปพบกับอุปการชีวกตอนจะเสด็จไปโปรดพระปัญญวคีนีน่อุปกาชีวกก็เห็นปั๊บมันก็ตั้งข้อสังเกตคนคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาจะต้องเป็นพระอาราหันต์หรือสาวกพระอาราหันต์หรูปลูกศิษย์ของพระอาราหันต์แล้วก็สอบถามพอสังเกตจากวันนะจากพระพัก จากอิเดียบทที่เคลื่อนไหวมันแสดงถึงความยิ่งใหญ่มากมีความสงบเย็นอยู่ภายในท่านก็กราบทูลถามด้วยความพ้องใจสงสัยแล้วก็มีอาการของการยอมรับนั่นก็แสดงเห็นว่าไอ้ตัวดับในเราไม่เห็นหรอกคนนอกเนี่ยไม่เห็นแต่ว่าเห็นจากอาการของความดับคือความสงบ าการกายวาจาก็ เ, าเรียกไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาแต่ส่วนใจิตใจเราไม่มียานจะไปอย่างรู้แต่ว่าคนที่สงบเองจะเข้าจะเป็นคนรู้เพราะจะกุยานปัญญาวิชาแสงสว่างเนี่ยมันจึงสัมผัสตรงเป็นสันติโกคือผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองแล้วก็เป็นปัจจังปัจจตังเวดิตาโบโยหิวินโยชนรู้ได้เจริรุ่น แต่การในคนนอกเห็นนะคนนอก ส, สามารถสังเกตเห็นได้เราสังเกตว่าพระเป็นนั้นมากเนี่ยที่ท่านเผยแผ่ศาสนาโดยการเดินบิตรบาตรโดยการนั่งโดยการเดินโดยการยืนโดยการคุยเนี่ยคนมันสัมผัสความสงบเขาเรียกว่าสุขาชาญร่มเ ง, ง, งมันเย็นพอเข้าใกล้แล้วมันรู้สึกเย็นแเยือกเข้าไปสู่ใ จ, ใจิตใจ แล้ก็มีความสุขมีความสงบใจมีข้อความที่ตอนท่านสามปดีพรมผู้เจ้าจัดแก่ท่านสามปดีพรมตอนหนึ่งเมื่อตอนสามปดีพรมไปกราบทูลรัตนาให้ทรงแสดงรำเนีฮะว่าประตูอมตะเราเปิดแล้วสัตว์ทั้งหลายจงปลอ่อยศรธารมเถิดเป็นการแสดงให้เห็นว่า ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นที่ประไทยของพระองค์แต่ถ้าากว่าคนขาดการยอมรับนับถือศรัทธาเชื่อฟังและพร้อมจะทำตามมันเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเราลองสังเกตว่าคนที่พบพระพุทธเจ้าในยุคนั้นเนะี่ยบางคนนี่เป็นทัพปีตักแกงหายไปเลยไม่ได้เลยบางคนเพียงแต่ว่ามีเทวดามาบอก ว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็ไปหาแล้วอย่างเช่นท่านตาปุษสาพันลิกาเนี่ยท่านก็ไปหาแล้วในการต่อมาเนี่ยท่านผู้นี้ยเป็นอุบาสกสําคัญคนหนึ่งโ อ, อกบวชคนหนึ่งรู้สึกว่าท่านพันลิกาเนี่ยจะบวชแต่พบนานแล้วก็ไม่แน่ใจจะสรุปคนหนึ่งบวชอ่ะคนคนหนึ่งก็กลับไปนําพระเกสาไปก่อสร้างเป็นเจดีย์ที่อุกกาาชนบุตร พุกาม่าเขาบอกว่าเป็นเป็นเมืองสะเทิมของเขาเพราะในการน้อมใจยอมรับน้ำถือศรัทธาในตถาคะตะโู้ศรัทธาเนี่ยการศัตรูของรพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องทำใจนะฮะคืออย่าไปแสดงความอวดดีอวดเด่นเคอมาชอบท่านสิหาเสนาบดี ที่กราบทูล ถ, ถามถึงอนิสงส์ของการให้ทานพระเจ้าทรงแสดงแก่ท่านหกข้อเป็นประสบการณ์ตรงของท่านใช้สี่ข้อแล้วก็อีกสองข้อคือไม่หลงตายและตายไปแล้วบังเกิดในสุค ต, ติท่านก็บอกว่าสีข้อนั้นข้าพลงไม่ต้องเชื่อเพราะผู้มีประภาคแต่ว่าอีกสองข้อเนี่ยข้าพระองค์ขอ เชื่อพราะผู้มีประภาพเพราะว่าพระองค์ศัตรูคับพระองค์ไม่ได้ศัตรูคือเป็นการพูดอย่างรู้จักประมาณตัวเองมันไม่ไปแสดงความปวดรู้ในเรื่องที่เรารู้ไม่ถึงคือมันรู้ไม่ถึงเนะคือยังไงยังไงเราก็รู้ไม่ถึงยังไม่หลงตายและตายบังเกิดในสุกติ คือตายบังเกิดในสุกติก็ไม่ลงตายเนี่ยที่จริงมันเป็นเงื่อนไขที่ละเอียดในกระบวนการของกรรมเพราะการไม่ลงตายนั้นจะต้องไม่หลงตายด้วยกุศลธรรมแต่กุศลธรรมข้อไหนล่ะกุศลธรรมในอดีตการนานไกลกุศลธรรมในชาติก่อนกุศลธรรมในชาติปัจจุบันกุศลธรรมที่เกิดขึ้นก่อนจะดับจิตก็ได้แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือเป็นกุศลธรรม เมื่อไม่หลงตายก็ไปบังเกิดในสุคติก็แสดงว่าจิตที่ไม่หลงนั้นเองนําไปสู่สุคติก็เป็นอาการต่อเนื่องถึงกันแต่ว่าไม่ได้ชี้ชัดลงไปว่าเป็นกุศลแธรรมในขณะไหนเพราะว่าเอากระจิงนี่มันเป็นเรื่องเฉพาะทุกคนเในกระบวนการของกรรมคือยกเว้นแต่ทุกกรรมหนักฝ่ายกุศลกับฝ่ยกุศลฮ่ายกุศลก็คือ พวกรูปรชาญเป็นต้นไปความกุศลก็คือพวกอนันตรกรรมพวกายพวกนิยตามิจฉาทิติสามเนี่ยนะคนนี้แน่นอนฮะตกนรกลงตัวแต่ถ้ากรรมอย่างอื่นเนี่ยอธิบายไม่ได้มันขึ้นอยู่กับก่อนดับจิต ว่ากดับจิตนี้ไม่รู้จะดับด้วยกรรมอะไรแต่ที่แน่นอนที่สุดคือถ้าลงตายก็เป็นอกุศลถ้าไม่ลงตายก็เป็นกุศลตายไปแล้วบังเกิดในสุกติก็เป็นผลของกุศลตายไปแล้วบังเกิดในทุ ก, กติก็เป็นผลของกุศลแต่ถามว่าใครก็อธิบายกันเป็นรายๆไปชี้แจงกันเป็นรายๆไปแต่เป็นข้อยุตินี่คือว่าเป็นอาถานะคือเป็นไปไม่ได้ ที่คนซึ่งทําความดีแล้วจะตายไปบังเกิดในทุ ก, กติเพราะการกระทําดีของตนเป็นเหตุแต่คนที่เราเห็นก็ทําดีในปัจจุบันเนี่ยตายไปแล้วอาจจะบังเกิดในสุขทุ ก, กติก็ได้เพราะว่ามันยังมีกรรมในภพบชาติก่อนๆกรรมในชาติก่อนกรรมในวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนตามมาให้ผลแล้วพวกนั้นเป็นอกุศลกรรมเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนําไปเกิดได้ถ้าพลังก็แรงมากพอ แต่ถ้าไปเกิดก็เป็นผลกออ็อกุศลมันไม่ใช่ผลของกุศลทีนี้แม้แต่คนที่ตายแล้วทําความดีถเถ่นจะเนี่ยแล้วก็ตายแล้วบังเกิดในสุคติก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นกุศลที่เราทําในชาตินั้นเสมอไปอาจจะเป็นกุศลในชาติก่อนอาจจะเป็นกุศลในชาติก่อนก่อนอาจจะเป็นกุศล ท, ที่เกิดขึ้นก่อนจะดบจิตแต่ที่แน่นอนที่สุดคือกุศล อยู่บางครงบางคางเราก็ไปตัดสินคโครมลงไปว่าเพราะนั้นเพราะนี้เนี่ยมันไม่ได้เราไม่มียานขนาดนั้นแต่พูดองรวมแล้วก็ได้แต่หมายความว่าอย่างที่พระเจ้าทรงสแสดงเนี่ยทำและอารรมให้ผลไม่เสมอกันอารรมย่อมนำไปสู่ทุ ก, กติทำย่อมนำไปสู่สุ ก, กติอันนี้คือลงตัวเลยและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรผันไปเป็นอย่างอื่นเพราะธรรมพระธรรมนั้นย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ไม่ตกไปในชี่ชั่วรักษาประพุทธธรรมเหมือนการร่มใหญ่ที่รักษาคนไม่เปียกฝนในเวลาที่ฝนตกนั่นเองท้าฟังทั้ ง, ง, งหลายใตร่มพระโพธิยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นกอนนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอก ง, งามไปบูตในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดยทั่วกันสวัสดี